อย่ากลัวติดดีการติดดีไม่ต้องปล่อยวางในเมื่อมันติดแล้วก็จะขยันมันเพียรมากขึ้นทีนี้การขยันมันเพียรผลงานมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นในที่สุดผลครั้งสุดท้ายก็คือไม่ติดอะไรมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติถ้าเป็นสิ่งดีจิตมันจะติดแค่ไหนปล่อยให้มันติดไป ถ้าติดไหว้พระสวดมนต์วันหนึ่งไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์มันนอนไม่หลับนั่นแหละยิ่งดีวันหนึ่งไม่ได้นั่งสมาธินอนไม่หลับยิ่งดีเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตมาติดอยู่กับพุทโธเมื่อมาติดอยู่กับพุทโธสิ่งเดียวมันก็ละวางสิ่งอื่นมาอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวมันก็เหมือนเหมือนกันกับเราถือสัมภาระทั้งหลายเราถือของหลายอย่างผลาญพรัง หิวหนาหิวหลังมันก็ลำบากแต่ถ้าเรายิ้วของสิ่งเดียวมันเบา